ปัญหาข้อที่4อธิบายและตอบปัญหาเรื่องการปรากฏร่างให้คนอยู่ห่างไกลเห็นก่อนตายโดยยังไม่ตายหรือใกล้ตายการเห็นโอปปปาติกะหรือกายทิพย์แบบเห็นจริงกับแค่มโนภาพคิดไปเองการเห็นโอปปปาติกะของคนใกล้ตายที่เป็นเรื่องธรรมดาของจิตต่างจากภาพหลอนเพราะผิดไข้ยอย่างไรแล้วเรื่องการทาวัตถุให้เคลื่อนที่เปิดประตูหน้าต่าง หรือแม้แต่ฉีกระดาษด้วยอำนาจจิตของโอปปปาติกะทําได้แค่ไหนอย่างไรปัญหาข้อที่สี่เสียงประหลาดในห้องครัวในหนังสือเอสเทลโรเบิร์ตนา19ถึง20สิบมีบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าในขณะที่เขา คือฮิวสามีของเอสเทลโรเบิร์ตสิ้นลมนั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังอย่างหน้าหวานเสียวออกมาจากห้องครัวมันดังคล้ายๆกับว่ามีใครคนหนึ่งกำลังฉีกผ้าให้ขาดและสลับกับเสียงแส้หวดเป็นระยะระยะและเธอได้บัญญายไว้ว่าหลังจากที่ได้เห็นร่างของฮิวผู้เป็นสามีออกมาจากกายเนื้อแล้วเขาก็ได้เข้าไปในครัวเพื่อจะไปหาน้ามาล้างหน้าล้างมือของเขา แต่แล้วก็ได้ประสบภาพที่มหัศจรรย์อยู่เบื้องหน้ากระดาษปิดฝาผนังด้านหนึ่งของห้องซึ่งมีขนาด12ฟุตปรากฏว่าถูกฉีกขาดลงมาเป็นแถบๆตลอดทั้งแถวนี่เองเป็นที่มาของเสียงที่ดังเหมือนใครฉีกผ้าอยู่เมื่อตอนที่เขาสิ้นใจเมื่อครูหนึ่งนี้ปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยไม่ทราบว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร คนที่มีตัวเป็นสื่อสามารถจะได้ยินเสียงอะไรที่เกิดมาจากพวกโอปปาติกะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ด้วยคือกระดาษขาดซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของโอปปาติกะอันนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจึงได้กราบเรียนถามท่านซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงโอปปาติกะที่ท่านรู้เหตุการณ์ในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีท่านได้ให้คําอธิบายว่า ตอนที่เอสเทลได้ยินเสียงเหมือนผ้าขาดกับเสียงแส้หวัวตนเป็นระยะที่ฮิวยังไม่ได้ตายจริงๆแต่กายทิพย์ของฮิวได้ออกมาจากกายเนื้อแล้วซึ่งก็เป็นระยะที่เขาจวนจะตายและในขณนะนั้นก็มีคนซึ่งหมายถึงพวกโอปปาติกะจะมารับเข้าไปแต่เขาไม่ยอมไปเพราะความเป็นห่วงเอสเทลและความที่ไม่อยากตายจึงพยายามดิ้นรน ที่จะหนีจะ ก, การจับกลุ่มซึ่งความเป็นจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเพียงแต่จะมารับและชี้แจงให้ฟังว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องตายใครๆเมื่อถึงจุดจบของชีวิตในโลกมนุษย์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ฮิวไม่ยอมฟังเสียงคิดว่าพวกนี้จะมาบังคับเอาตัวเข้าไปจึงพยายามวิ่งหนีและทางที่เขาจะหนีออกไปก็คือผ่านไปทางครัว และในที่สุดก็เกิดการต่อสู้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะหนีแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจับตัวเอาไว้เพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องแต่แล้วฮิวก็ไม่ยอมฟังเสียงและด้วยเหตุนี้เองจึงถูกหดด้วยแท่และกระดาษที่ฉีกก็เป็นผลเนื่องมาจากการต่อสู้ของฮิวที่พยายามจะหนีนั่นเองและในเมื่อถูกลงโทษเข้าก็จาเป็นต้องยอมจำนน และยอมรับฟังเหตุผลซึ่งในที่สุดเขาก็เต็มใจที่จะตายหรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือเต็มใจที่จะทิ้งกายเนื้อของเขาและใจของเขาก็เริ่มสงบลงและตอนนั้นเป็นระยะที่เขายังไม่ได้ตายจริงๆมันเหมือนกับคนบางคนก่อนที่จะตายก็อาจจะไปปรากฏร่างให้เห็นตอนหน้าญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรือว่าใครก็ได้ ที่เขาต้องการจะไปหาเพื่อต้องการจะส่งข่าวให้ทราบซึ่งในทันใดที่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นร่างของเขาซึ่งเป็นกายทิพย์ก็จะไปปรากฏในที่ที่เขาต้องการจะไปหาทัานทีเรื่องทำนองอย่างนี้บางคนก็อาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแต่ก็มักจะเข้าใจผิดกันว่าถ้าเห็นใครมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเขาตายไปแล้วแต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ได้หมายความว่าถ้ากายทิพย์ออกจากร่างกายเมื่อใดก็แปลว่าคนคนนั้นได้ถึงแก่ความตายแล้วเสมอไปตัวอย่างเช่นคนบางคนที่นอนหลับสนิทและจิตสงบมากในบางครั้งก็อาจจะมีกายทิพย์ออกมาได้คนที่ป่วยหนักจนจะตายแต่ยังไม่ตายก็อาจจะมีกายทิพย์ออกมาและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้ หรือบางทีก็อาจจะมีใครมาพาไปให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ไปเห็นมาให้ฟังได้แต่ประเด็นนี้ควรจะต้องสังเกตไว้ด้วยว่าคนที่นอนหลับและฝันเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นถ้าหากภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยประสาทของกายทิพย์ที่ออกมาจากกายเนื้อแต่เป็นการเห็นภาพที่ใจของตนเองนึกขึ้นมา ภาพที่เห็นนี้จะแตกต่างกันมากกล่าวคือถ้าเป็นภาพที่เกิดจากความนึกคิดของตนเองในไม่ช้าภาพนั้นก็จะเลือนหายไปไม่มีความประทับใจส่วนภาพที่เห็นด้วยกายทิพย์จะเป็นภาพที่ชัดเจนและประทับใจมากแม้เหตุการณ์จะผ่านมานับเป็นปีๆก็จะยังไม่ลืมยังรู้สึกเห็นได้อย่างชัดเจนจาได้อย่างแม่นยา อันหนึ่งในกรณีของคนบางคนที่สลบไปหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ้นใจแล้วแต่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังนั้นเหตุการณ์ที่ไปเห็นมาถ้าเป็นการเห็นด้วยกายทิพย์จริงแล้วภาพนั้นชัดมากและประทับใจมากแต่ก็อย่าลืมว่าอาจจะมีมโนภาพที่เกิดจากอุปาทานแทรกซ้อนเข้ามาปะปนกับภาพ หรือเหตุการณ์ที่ไปเห็นมาจริงๆก็ได้อันนี้ต้องระวังให้มากแต่มันก็เป็นการยากสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีทางที่จะทดสอบเราในเมื่อไม่มีสมาธิสูงพอที่จะเข้าไปติดต่อกับโอปปาติกะได้เขาก็จะไม่สามารถแยกได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงคนที่เจ็บหนักบางคนซึ่งอยู่ในภาวะที่จนจะตาย ก็มักจะเห็นภาพบุคคลในโลกทิพย์เสมอแต่บางทีก็อาจจะเห็นภาพที่เกิดจากอุปาทานของตนในขณะที่พิษไข้ขึ้นสูงประสาทแปรปรวนก็ได้ซึ่งภาพจริงกับภาพหลอนมักจะปะปนกันเสมอแต่ถ้าคนไหนใจสงบพิษไข้ไม่สูงประสาทเป็นปกติร่างกายไม่ได้รับการทรมานเท่าไหร่ความกดดันภายในจิตใจก็มีน้อย ภาพที่เห็นส่วนมากจะเป็นเรื่องจริงอันหนึ่งตอนที่เอสเทโรเบิร์ตเห็นกายทิปของฮิวออกมาจากกายเนื้อนั้นในตอนนี้เป็นตอนที่ฮิวได้ตายแล้วจริงๆแต่ตอนที่ได้ยินเสียงเหมือนผ้าขาดและเสียงแส้หวดนั้นตอนนั้นยังไม่ตายเพราะกายทิปของฮิวที่ออกไปในระยะแรกนั้นฮิว ย, ยังไม่ได้ตาย แต่เอสเทลโลเบิร์ตไม่ได้สังเกตฉะนั้นจึงไม่เห็นและในเมื่อฮิวยอมสงบกลับเข้าร่างอีกครั้งตอนนี้เอสเทลโรเบิร์ตก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นอีกซึ่งจะเป็นเพราะอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ในตอนที่เอสเทลโรเบิร์ตเพ่งมองดูร่างของฮิวซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังจะสิ้นใจด้วยจิตใจที่สงบ ก็เป็นเวลาที่กายทิพย์ของฮิวกำลังออกมาพอดีและออกมาด้วยความสงบไม่ได้ดิ้นรนเหมือนกับครั้งแรกเพราะฉะนั้นจึงเห็นอาการที่กายทิพย์ค่อยๆปรากฏตัวออกมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วเหตุรายการต่อสู้เพื่อที่จะหนีของฮิวจึงทำให้กระดาษซึ่งติดอยู่ที่ฝาผนังในห้องครัวขาดด้วยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าด้ยวยข้อเท็จจริงทั่วไปแล้วโอปปปาติกะที่เราติดต่อได้แม้เราจะขอร้องให้เขาฉีกกระดาษหรือว่าให้ทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะไม่มีผลปรากฏในโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าเคยเห็นด้วยตาของตัวเองสองครั้งคือประตูและหน้าต่างเปิดด้วยแรงผลักดันของโอปปปาติกะซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เปิดเพราะลมหรือเพราะใครในโลกมนุษย์มาเปิด และในเมื่อเข้าสมาธิไปดูก็ได้เห็นบุคคลที่เป็นตัวการที่ทำประตูและหน้าต่างนั้นเปิดซึ่งเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนเปิดแต่ครั้นบอกให้ทำอีกเขากลับทำไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องฟุกหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งโอุพปาติกะเหล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนั้นเมื่อเขาเปิดประตูและหน้าต่างซึ่งเป็นของที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ ทำไมมันจึงเปิดออกมาได้